ท่านผู้เจริญทั้งหลายโอกาสต่อไปนี้เป็นเวลาที่จะได้บรรยายธรรมะซึ่งเป็นคำสอนของุมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประดับติีปัญญาของท่านผู้ฟังพอสมควรแก่กาลเวลา เราฟังธรรมะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้มีความรู้ในธรรมะตามหลักปริยัติหรือเรียกว่าหลักวิชาการการเรียนรู้ตามแบบตามตำรักตำลาการอา่านหนังสือก็ดีการฟังเทศก็ดีการฟังบรรยายธรรมก็ดี อันนั้นเป็นการเรียนปริยัตเพื่อให้มีความรู้ตามแบบแผนตํำรับตําราเพื่อจะได้เป็นคู่มือในการปฏิบัติเมื่อเรียนรู้แล้วเน่น้อมเอาความรู้ที่จําได้มาประพฤติปฏิบัติอันนั้นเป็นการปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติสัจธรรม ผลซึ่งเกิดจากการปฏิบัติมีความสงบกายสงบวาจาสงบใจสมาธิวิโมกสมาบัติคุณธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจอันนั้นเรียกว่าปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวททั้งสามประการนี้เป็นหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า ทีนี้เราปฏิบัติรรมาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อจะได้ละความชั่วสัพาพาปัสสะอาการนัง่งการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นคำสอนของผู้รู้คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายทีนี้ปัญหามีอยู่ว่า เราจะละความชั่วความชั่วตามความหมายแห่งคาสิติว่าสัพพาปัสสะาการนังการไม่กระทำบาปทั้งปวงเราจะละบาปละกันที่ตรงไหนละกันที่กายและวาจาโดยอาศัยหลักเกณฑ์เป็นคู่มือในการละ ได้แก่ศีลห้าข้อก่อนที่จะฟังเทศบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่อาลาธนาศีลทำไมไม่สมาทานศีลอย่างไปในวัดพระพันเทศท่านก็ให้สมาทานศีนก่อน การฟังเทศไม่สมาทานศีลจะไม่ผิดระเบียบธรรมเนียมไปหรือบางท่านอาจจะสงสัยข้องใจข้อนี้ไม่ต้องสงสัยเมื่อท่านนั่งอยู่นิ่งๆกายของท่านสงบแล้วเป็นปกติวาจาก็อยู่นิ่งๆไม่พูดวาจาก็ปกติเป็นศีลอยู่แล้วจิต ก็สำรวมคอยตั้งใจจะฟังธรรมที่พระทันเทรหรือบัตรยายก็มีกิริยาแห่งการสำรวมอยู่แล้วกายวาจาในใจก็กลายเป็นตัวปกติกลายเป็นศีลโดยที่ไม่ได้ตั้งใจในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านจะทรงแสดงธรรม ไม่ปรากฏในสถานที่ใดที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้ผู้ฟังเทศได้รับสิน่อนพอพบหน้ากันพระองค์ก็รับสั่งว่าท่านจงตั้งใจฟังธรรมธรรมที่เราตัดสร่งแล้วนี่เป็นเนยานิกธรรมสามารถนำผู้ปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกได้ เสร็จแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมไปเลยเพราะผู้ที่จะฟังธรรมเขาก็อยู่ในความสงบกายก็สงบวาจาก็สงบและจิตใจก็จดจ่อต่อการที่จะฟังธรรมได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาอ่อนๆเกิดขึ้นในขณะนั้น เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่าข้องใจเมื่อเราอยู่นิ่งๆไม่ได้ทำอะไรตายก็ไม่ปูดวาจากายก็ไม่ทาอะไรวาจาก็ไม่ปูดใจก็สํารวมอยู่ก็กลายเป็นผู้มีศีล ข, ขึ้นมาในขณะนั้นแม้แต่ในขณะที่เรานั่ง ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาอยู่ที่บ้านโดยไม่ได้ตั้งใจไปสมาทานศีลกับใครเมอว่าเราจะไม่นึกสมาทานศีลด้วยตนเองแต่เมื่อทำจิตวัดรอันเป็นอุบายวิธีให้เกิดความเป็นปกติกายปกติวาจาปกติใจขึ้นมาก็เป็นศีลขึ้นในขณะนั้น เราะฉะนั้นข้อนี้หายห่วงได้แล้วทีนี้เรามาฟังธรรมเพื่อเป็นหลักเพื่อเอาความรู้ไปประพฤติปฏิบัติปฏิบัติเพื่อละความทั่วตามพุทธภาสิทธิพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าสัพาพาปสะอากรณนังการไม่ทาบาปตั้งปวงทีนี้การไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ เราก็ถือกฎเกณฑ์คือศีลห้าข้อนั่นเองเมื่อเราจะเป็นนักปฏิบัติธรรมละความชั่วตามที่พระพุทธเจ้าสั่งก็ควรจะได้ถามจิตใจของตัวเองว่าเอาจริงไหมทีนี้ถ้าเราจะเอาจริงก็ยึดหลักศีลห้าประการนั่นแหละเป็นหลักปฏิบัติอันนี้เป็นการหลักการละความชั่วโดยเจตนา โดยตั้งใจว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดพบพดไม่เสพของม็นเมาหรือไม่มัวเมาในสิ่งที่จะทำให้เกิดความเสียหายอะไรต่างๆในเมื่อตั้งใจอย่างนี้แล้วก็ได้ช่ว่าเป็นผู้ตั้งใจจะละความทั่วโดยเจตนา เ่เราตั้งใจจะละความทั่วโดยเจตนาก็เป็นการโดยอาศัยหลักศีลห้าประการนี้เป็นหลักสำหรับในการละก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ละความทั่วหรือไม่กระทำความทั่วตามพุทธภาสิตนี้นี่หลักการละความทั่วมีกันดูเพียงแค่นี้ทีนี้ถ้าหกากว่าภายในจิตในใจของเราเนี่ย แต่ละท่านแต่ละผู้แต่ละคนก็ยังมีกิเลสโลภโกรดหลงเต็มอยู่ในจิตในใจกันทั้งนั้นที่นี่การที่เราจะมาละกิเลสโลภโกรดหลงนี่มันเป็นปัญหายากและหนักใจบางทีก็ตั้งใจที่จะละโลภโกรดหลงตั้งแต่รู้เดียงสามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังละไม่ได้เท่าไหร่ เมื่อเป็นทาละจำยอมอย่างนี้ท่านสาธุชนจะทำอย่างไรโลภโกรธหลงมีกันอยู่ทุกคนแต่ไปฟังเทศที่ไหนพระท่านก็สอนให้เราละโลภโกรธหลงกันทั้งนั้นแต่เมื่อฟังแล้วก็รู้สึกว่าหนักใจเพราะมันตั้งใจละไม่ได้จริงๆ เมื่อเป็นคนนั้นก็เป็นพาละจำยอมที่จะต้องให้โลภโกรธหลงมันอยู่ในใจของเราไปก่อนทีนี้ถ้าเราจะตั้งใจละควรจะได้ตั้งใจละสิ่งที่จะพึงทำตามอำนาจของโลภของโกรธและหลงที่เราจะละการกระทำซึ่ง โลภโลดหลงมันจะบงกันให้เรากระทำไปนั่นมันก็ไม่หนีจากหลักของศีลห้าดูอีกนั่นแหละในเมื่อโกรจัดขึ้นมาในสังศีลข้อปานาสิบัิว่าพระพุทธเจ้าไม่ตีไม่ฆ่าเราก็เอาตามอย่างท่านเมื่อโลภขึ้นมาพระพ็ทธเจ้าไม่ลักไม่ขโมยไม่ช่อไม่โกง เราก็นึกถึงท่านแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างท่านเพราะเราปฏิญญานตนจะเป็นลูกศิษย์ท่านนี้เราจะเอาท่านเป็นตัวอย่าง <c oughs> หากว่าจิตใจมันออกนอกกลู่นอกทางโดยไม่มีขอบเกตก็นึกถึงศีลข้อตาเมสุมิถาจารยร์เราพระเจ้าไม่ประพฤต์เช่นนั้นเราเป็นลูกศิษย์ท่านเราก็ไม่ต้องประพฤติอย่างนั้น าหากว่ามันอยากจะโกหกหลอกลวงก็นึกถึงข้อผู้สาวานมันมัวเมาในสิ่งใดมากเกินไปก็นึกถึงศีลข้อสุราเวลาโกรธจัดเราไม่ได้ทำอะไรลงไปเราอดทนว่าเราจะเป็นผู้มีศีลเราไม่ฆ่าไม่ดา่าไม่ตีอดทนจนกระทั่งความโกรธมันระงับหายไปจากจิตใจ เมื่อความโกรธมันหายไปแล้วเราไม่ได้ทำอะไรตามอำนาจแห่งความโกรธผลงานที่เราก็ทำหรือลุกอำนาจแห่งความโกรธนั้นมันก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้ทำอะไรยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่โกรธจัดโกรธลูกของตัวเองอย่างแรงฟาเอาไม้รียอมาตีลู ก, กจนไม่ไม่ยัง้ง ทำให้โรคต้องได้รับความเจ็บปวดบางทีเมื่อหนังแตก เ, เป็นลดเป็นรอยเลือดไหลทีนี้เมื่อความโกรธมันหายไปอะไรที่มันใจยังเหลือตกค้างอยู่ก็คือความเจ็บของลูกนั่นเองบางทีพ่อแม่อาจจะไปนั่งกอดเขาร้องให้เสียใจเพราะเรารุนแรงกับลูกเราไปแล้วแต่ถ้าเราอดทนไว้สักหน่อยหนึ่ง เนิดว่ากความโกรธมันเกิดที่ใจของเราเราจะอดทนเอาไว้เราจะไม่ทำลายทำลายลูกของเราละเมื่อความโกรธบัรหายไปมันก็ไม่มีอะไรเหลือตกค้างอยู่ที่จะทำให้เราเสียอกเสียใจภายหลังนีวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องอะระงับกิเลสในีส่วนกิเลสที่มันมีอยู่ภายในนั่นมันก็ยังคงมีอยู่นั่นแหละ แต่เมื่ออะไรมันเกิดขึ้นเราไม่ลุกอำนาจไม่ล่วงเกินศีลห้าข้อข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นอุบายวิธีการบัญทนกำลังของความโลภความโกรธความหลงลงไปทีละน้อยละนน้อยและในที่สุดนิสัยที่ได้รับการฝึกฝนอบรมเพราะการอดทนการที่ตั้งเจตนางดเว้น ไม่ลุ้อำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงมันเกิดความเคยชินเกิดความคล่องตัวแล้วจิตใจของเราจะผ่อนคลายความโลภความโกรธความหลงลงไปได้มากทีเดียวถึงแม้ว่าไม่หายขาดไปก็ตามอันนี้เป็นอุบายวิธีละความชั่วตามพุทธภาสิรษฐวสัาาพพปาปะชะอาการานัง ที่นี่กุชลสูปสัมป่าธาอันนี้ก็เป็นพระดำรัสสั่งของพระพุทธเจ้าอีกคาหนึ่งในเมื่อละความทั่วแล้วก็ต้องสร้างความดีคือทำบุญให้ถึงพร้อมบุญก็คือความดีความดีก็คือบุญดังนั้นในเมื่อละความทั่วตามกฎเกณฑ์ของศีลห้าข้อดังที่กล่าวมาแล้วนั้นบัดนี้เราจะปลูกฝังความดีให้มันมั่นคง เพื่อเจตนาในการที่จะงดเว้นหรือละบาปตามศีลข้อห้าห้าข้อนั้นให้มีความมั่นคงและแน่วแน่ลงไปพระองค์จึงมีอุบายสอนให้เราฝึกหัดทำสมาธิเป็นการอบรมจิตให้จิตมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดี ฝึกจิตของเราให้มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดีด้วยอุบายวิธีการต่างๆซึ่งเรียกว่ากรรมฐานทีนี้มาพูดถึงเรื่องกรรมฐานกันบ้างละ <c oughs> <c oughs> การปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยในตอนตอน้ตนๆได้พูดถึงเรื่องศีลคือการละความทั่ว ในเมื่อเราตั้งใจละความทั่วตามกฎเกณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้วเราเป็นผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีทีนี้เรามาฝึกหัดทำสมาธิกันบ้างขอให้ทุกท่านตรงตั้งใจกำหนดรู้ที่จิตของตัวเองเอาความรู้สึกไว้ที่จิต เมื่อตั้งใจเอาความรู้สึกมาไว้ที่จิตแล้วพยายามนึกว่าคนพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ที่จิตของเราแล้วนึกต่อไปอีกว่าความดีก็ดีความชั่วก็ดีเกิดที่จิตบาปก็ดีบุญก็ดีเกิดกันที่จิต ก็ทำทั้งหลายมีจิตคือใจเป็นใหญ่ใจเป็นผู้บงการใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วแต่ใจเพราะฉะนั้นเราจึงจาเป็นต้องฝึกฝนอบรมใจหรืออบรมจิตการทำสมาธิสำคัญอยู่ที่การทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้แล้วให้มีสติละเลิกรล้เตรียมพร้อมอยู่ในจุด ที่จิตกำลังรับรู้อารมณ์ในปัจจุบันเยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตโดยสาธารณะทั่วไป้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติสมาธิภาวนากันอย่างแท้จริงในขั้นต้นควรจะได้ฝึกหัดทำจิตให้มีสติ โระโยที่การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจอันนี้เป็นอุบายวิธีทำสมาธิสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างจะไปนั่งสมาธิเป็นหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมง เพียงแต่เผยผัดจิตถ้ามีสติ ต, ตามรู้อยู่ที่การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจโดยปกติแล้วท่านทั้งหลายเป็นนักวิชาการเป็นนักธุรกิจนักทํางานในเมื่อท่านพักผ่อนหลับนอนว่างจกากกิตตารธุระงานอันเป็นเรื่องของชีวิตประจําวันแล้ว เมื่อท่านพักผ่อนหลับนอนท่านนอนลงไปนักรองว่านอนปั๊บท่านไม่หลับปุ๊บทันทีก็นอนลงไปท่านยังจะต้องใช้ความคิดหรือไม่ตั้งใจที่จะคิดแต่จิตของท่านจะคิดขึ้นมาเองเพราะท่านยังห่วงงานบางทีท่านลำคาญในการที่จิตของท่านคิดไม่หยุดท่านอยากจะให้จิตของท่านหยุดคิดแต่มันเป็นไปไม่ได้ เพาะความห่วงงานมันยังมีอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านควรจะปฏิบัติอย่างไรควรจะปล่อยให้เจิตมันคิดไปเมื่อเจิตมันคิดไปแล้วให้มีสติตามรู้ตามคิดไปจนกว่าจะนอนหลับฝึกผัดอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเมื่อท่านกําหนดดูอารมณ์จิตในตอนตอน้ตนๆท่านอาจจะหลับปุบบลมไปแล้วก็เมืดไปเหมือนอย่างหลับธรรมดา แต่ถ้าท่านพยายามฝึกถัดอยู่บ่อยบ่อฝึกจนคล่องตัวฝึกจนทำนิท้ทำนานแล้วในที่สดเมื่อท่านตามรู้อารมณ์จิตของท่านอยู่เมื่อท่านหลับลงไปจิตของท่านจะกลายเป็นสมาธิในขณะที่นอนหลับอย่างเมื่อก่อนที่จะขึ้นธรร ม, มาประเทศน์บางท่านกว่านอนแล้วรู้สึกก็นอนไม่หลับทั้งคืนนั่นแหละสมาธิมันเกิดขึ้นในขณะที่นอน หากใครสามารถฝึดสมาธิให้เกิดขึ้นในขณะที่นอนได้สบายที่สุดเพราะในขณะที่นอนหลับด้วยสมาธิตายก็สงบติดก็สงบตายก็เบาติดก็เบาทำให้การพักผ่อนทางร่างกายได้อย่างเต็มที่แม้จิตจะรู้สึกว่าไม่หลับแต่ตายหลับได้อย่างสนิทติดนั่นมันก็หลับอยู่ คือมันหลับแล้วมันเข้าสู่สมาธินั่นก็คือความหลับเพราะในขณะนั้นจิตโมันรู้อยู่ตลอดเืนบางทีก็สว่างสวัยอยู่ตลอดคื น, ยยตคนแต่บางทีก็รู้สึกว่าตายไม่มีมีแต่ความรู้ในทางจิตอย่างเดียวเพราะหลับแล้วจิตมันเปลี่ยนสภาวะไปตื่นขึ้นอีกภาวะหนึ่งซึ่งเรียกว่าจิตอยู่ในสมาธิหรือสมาธิเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับ บางคีดีไม่ดีงานการอันใดที่เรายังค่องใจอยู่แก้ปัญหาไม่ตกเมื่อหลับลงไปในลักษณะอย่างนี้จิตเขาจะเหนียวเอาอารมณ์อันนั้นแหละไปแก้ปัญหาอยู่ในขณะที่นอนหลับในที่สุดก็แก้ได้มีลักษณะคล้ายๆกับนอนหลับแล้วฝันไปอันนี้เป็นเป็นหลักของการบำเพ็ญสมาธิ เพื่อให้ได้สมาธิให้ได้สติปัญญาเพื่อสนับสนุนธุรกิจอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลผู้ไม่ค่อยมีเวลาได้นั่งสมาธิเป็นเวลานานานานแต่ถ้าหากสมมติว่าท่านอาจจะมีเวลานั่งสมาธิภาวนาบ้างหลังจากที่ท่านกล่าวคานำมัตการพลรัตนไตรดังที่หัวหน้าได้ประานได้นากล่าวเมื่อสักครู่นี้แล้ว แล้วถ้าท่านแผ่เมตตาได้ก็พยายามนึกแผ่เมตตาเสียถ้าว่าเป็นภาษาบาลีไม่ได้ก็น้อมนึกในใจขอสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นจงเป็นผู้มีสุกกายสุกใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันเลยกันเลยจงมีสุขรักษาตนให้พร้อมภัยทุกภัยทั้งสิ้นเถิดแค่นี้แล้วก็นั่งสมาธิ ทีนี้ตามแบบท่านให้นั่งขัดสมาธิตามแบบที่พระพุทธโกนั่งตรงตัวอย่างพระปางสมาธินั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ถนัดอย่างนั้นเราจะนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งพับเทียบก็ได้หรือหากว่านั่งไม่ไหวก็นอนกำหนดจิตภาวนาก็ได้อารมณ์ที่เราจะเอามาเป็นคู่ของจิตเพื่อภาวนาจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช็นอย่างพุโทโธยหนอทองหนอฉันมาอราหังแล้วแต่ขนัดในขณะที่ท่านเอาอารมณ์สิ่งใดสิหนึ่งเป็น่านว่าพุโทโธเป็นต้นมาบริกรรมภาวนาไว้ที่จิตในขณะที่จิตของท่านบริกรรมภาวนาอยู่ก็ปล่อยให้มันบริกรรมภาวนาไป หรือบางทีอาจจะนึกพุทธป้อมลมเข้าโอปลอมลมออกก็ได้นึกอย่อย่างนั้นแหละถ้าในช่วงใดจิตมันปล่อยวางพุโทโธเสียไปคิดอย่างอืน่นก็ลองปล่อยให้มันคิดไปดูบ้างแต่ต้องมีสติตามรู้เรื่อยไปหรือบางที การท่องพุโทโธกับกาหนดลมหายใจมันจังละห่างจิตจังสามารถส่งกระแสไปทางอื่นได้อยู่ก็ให้นึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มันเร็ ว, เ, ร ว, เ, รวเข้าจนไม่มีช่องว่างนึกเพื่ความเบาๆอย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะรู้เมื่อไรจิตจะเห็นไม่ต้องไปนึกทั้งนั้นหน้าที่มีแต่นึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างเดียว นึกจนกระทั่งจิตของเรานึกเองโดยไม่ได้ตั้งใจทีนี้ถ้าในขณะที่เราเนึกพูดพอยู่ถ้าจิตมันนึกพูดพูโตเองไม่ได้ตั้งใจสติก็รู้พร้อมอยู่จิตก็ได้องค์ฐานที่หนึ่งคือได้วิตกกับวิจารโดยจิตมีสิ่งโลศรีมีสิ่งละเล็กพูดพอกับจิตเคล้าคลึงกันไม่แยกจากกันจิตได้วิตกวิจาร์ในที่สด ป, ปีติและความสุข ตามสงบก็ย่อมบางเกิดขึ้นในขณะที่สมาธิกำลังจะเกิดตั้งมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งหนึ่งสมาธิร่มเกิดทำให้กายเบาทำให้จิตเบาทำให้กายสงบทำให้จิตสงบอันนี้เป็นลักษณะของสมาธิกำลังจะเกิด ว่อมีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นในขณะภาวนาให้กาหนดรู้จิตกับอารมณ์จิตไว้ให้ดีทีนี้ในเมื่อกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบบางทีบางท่านอาจจะมีกายโยกกายสัน่นมีกายเบาเห ม, อเ ม, อเมือนกับจะลอยขึ้นบนอากาศหรือเหมือนรู้สึกว่าไม่ได้นั่งอยู่กับพื้นอะไรกับนองเนี่ย อันนี้เพงสังเกตรู้เถิดว่าสมาธิกำลังจะเกิดแล้วในช่วงนี้ถ้าหากว่าจิตปล่อยวางบริต ร, รมภาวนาแล้วก็ให้รู้จิตที่นิ่งอยู่เฉยๆไม่ต้องไปนึกถึงบริต ร, รมภาวนาอีกถ้าหากว่าช่วงนี้จิตมีความคิดเกิดขึ้นก็ปล่อยให้คิดไปอย่าไปห้ามมันการที่เราปล่อยให้จิตมันคิดไปนั้นจิตมันรู้จาก หาอารมณ์มาต้อนให้กับตัวเองได้แล้วในตอนแรกๆเรานึกพุโทโธเอาไว้เพราะจิตปันยังนึกหาอารมณ์ไม่เต็นแต่เมื่อภาวนาพุโทโธไปก็จิตเริ่มมีความสงบตายเบาจิตเบาลงไปจิตปล่อยวางคำว่าพุโทโธแล้วไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆถ้ามันยังว่างอยู่ก็ปล่อยให้มันว่างอยู่อย่างนั้น แต่ถ้ามันคิดอะไรขึ้นมาให้มีสติรู้ตามธรรมชาติของจิตที่มีความคิดถ้าเราตั้งใจจะดูมันมันจะหยุดคิดแล้วเกิดความว่างในเมื่อกิดความว่างกาหนดดูที่ความว่างเมื่อมันคิดกาหนดดูที่ความคิดสลับกันไปอย่างนี้ในที่สุดจิตของเราก็จะคิดไม่หยุดแล้วสติก็จะตามรู้อยู่ไม่หยุดเหมือนกัน ลงผลสุดท้ายจิตได้วิตกวิจารปีติสุกเอตัคตาจิตจะสงบเป็นสมาธิได้อันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติในตอนต้นอาศัยการบริกรรมภาวนาไว้เมื่อจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาปล่อยให้มันอยู่ไปแต่ถ้ามันทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดอย่างอื่นก็ปล่อยให้มันคิดไปเหมือนกัน แต่ให้มีสติตามรู้รูลโลเลื่อยไปอันนี้เป็นวิธีการทดสอบจิดไปในตัวและมีปัญหาที่จะขอทำความเข้าใจกับท่านนักปฏิบัติทั้งหลายว่าในบางครั้งเราอาจจะภาวนาจิตสถ บ, บเป็นสมาธิได้ดี เป็นสมาธิแบบชนิดที่ว่ามีวิตกวิจารปีติสุขเอคกคคตาบางทีจิตสงบจนกระทั่งตัวหายมีแต่เจตัวงเดียวสว่างสวัยโป้่งอยู่อย่างนั้นแต่มาภายหลังนี่จิตอาจจะไม่สงบนิ่งเหมือนอย่างก่อนพอสงบลงไปนิดหนึ่งความคิดมันจะเกิดฟุง้งฟุ้งฟุงุ ง, งขึ้นมาไม่หยุด อันนี้ปัญหาอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่นักปฏิบัติทั้งหลายจะพ้งทำความเข้าใจไว้โดยธรรมชาติของสมาธิในเมื่อเราฝึกฝนอบรมดีแล้วสมาธิทำให้เกิดสติปัญญาในเมื่อสมาธิมีสติปัญญาก็ดีสมาธิมั่นคงสติปัญญาก็มีพลังแก่กล้าขึ้น เลือกว่าจิตได้พลังงานได้พลังคือตัวสติคือตัวสมาธิและปัญญาในเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตเขาก็ต้องการจะมีความคิดคือเขาต้องการจะทำงานนั่นเองในบางครั้งเรารูลเท่าไป่ถึงการก็นึกว่าจิตของเราฟุงา้งช้านไปพยายามที่จะยับยั้งให้จิตมันหุดคิดหรือห้ามมันพอไปขาดขวางมันมันก็ยิ่งคิดหนักขึ้นมา นอกจากจะเคียดหนักแล้วมันยังทำให้ฟุ้งซ่านลำคาญขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าช่วงใดจิตของเราต้องการสงบนิ่งก็อย่าไปลบควนมันให้มันนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละมันจะนิ่งอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ให้มันรู้กันแต่โดยธรรมชาติของจิตมันจะนิ่งอยู่ตลอดไปนั้นเป็นไปไม่ได้ ถ้าช่วงใดที่มันต้องการคิดก็ปล่อยให้มันคิดไปแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปคิดไปคิดมาแล้วมันก็จะได้วิตกวิจารปีติสุขเอตคะตาหมือนกับบริกรรมภาวนาเหมือนกันจจตสงบเป็นสมาธิมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งภาวนาแล้วจิตสงบนิ่งว่างสว่างไม่มีความรู้ความคิดเกิดขึ้น พอจิตจังอยู่พอสมควรแล้วก็ถอนออกจากสมาธิมามาสู่ความเป็นปกติอันนี้เรียกว่าจิตสงบเป็นสมาธิอยู่ในสมถะถ้าจะเรียกว่าฌานก็เรียกว่าอารัมมณูปนิธานจิตสงบแล้วไปโลดอยู่ในจุดจุดเดียวถ้าหาว่าจิตเพ่งกสินก็สงบนิ่งโูดอยู่ที่ดวงกสินซึ่งเรียกว่าอุกหานิมิต แต่ถ้าจิตไม่ได้เพ่งกสินอาศัยบริกรรมภาวนาจิตสงบลงไปแล้วก็ไปรู้อยู่ที่จิตแต่ไม่มีสิ่งรู้จิตอยู่ในอัปปนาสมาธิเหมือนกันแต่ไม่มีอารมณ์สิ่งรู้อันนี้เป็นลักษณะของอารัมมณูปนิธานธ์ เ, เป็นจิตสมถะเป็นสมาธิขั้นสมถมะในอีกอย่างหนึ่งจิตสงบอยู่ในลักษณะเดียวกันเหมือนกัน แต่ความรู้ความคิดอ่านบางเกิดขึ้นอยู่ไม่หยุดมีลักษณะคล้ายๆกับว่าจิตดวงนี้สงบนิ่งอยู่ในถ้ำกลางแห่งอารมณ์แต่ไม่ได้วันไหวตามอารมณ์นั้นๆที่บางเกิดขึ้นดับไปภายในจิติตี้ยตหนดรู้ความเกิดดับเกิดดับของอารมณ์ภายในจิตซึ่งเรียกว่ า, าสมาธิแบบนี้จิตสงบเหมือนกัน แต่ยังมีอารมณ์คือความคิดอ่านอยู่แต่จิตไม่วันไหวตามอารมณ์นั้นมีความนิ่งเป็นปกติอยู่ในถ้ำกลางแห่งอารมณ์อันนี้เรียกว่าจิตสงบในลักษณะซึ่งเรียกว่าลักคโธปนิชฌานหมายทถึงว่าจิตสงบแล้วความคิดยังมีอยู่คิดไม่หยุดแต่มีสติตามรู้ลๆกันอยู่ อาศัยการกำหนดรู้อารมณ์ที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ภายในจิตจิตตัวนี้เป็นปกติอยู่ตลอดเวลาเพราะในช่วงนั้นจิตมีวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงเพราะอาศัยความรู้จริงจึงไม่ยึดอารมณ์เกีค่ความคิดนั้นไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองต้องเดือดร้อนหาในขณะใดสติยังอสติอ่อนวิชาคือโมหะเข้าครอบ ง, งำ เิดย่ำยึดอารมณ์พอยึดแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาว่านี่คืออะไรแล้วก็ใช้ความคิดค้นทําให้เกิดปัญหายุ่งยากขึ้นมาเพราะความไม่รู้จริงจึงยึดสิ่งนั้นๆเอาไว้ทีนี้โดยปกติถ้าจิตมีความคิดอยู่ไม่หยุดสติก็ตามโลโลโลโยู่ไม่หยุดตลอดเวลาหนักหนักเข้าสติมันแก่กล้าขึ้นกลายเป็นตัวปัญญา แล้วสามารถที่จะอ่านความคิดที่เกิดจากอยู่นั้นในแง่พระไตรลักษณ์แล้วจิตก็จะกําหนดรู้อารมณ์ว่าความคิดมันก็ไม่เที่ยงมีแต่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้จิตก็รู้อารมณ์จิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าสิ่งใดที่จิตมันแยดขึ้นมาเกิดความยินดีก็รู้ทันทีว่าความยินดีมันเป็นอิทธารมณ์ หากสิ่งใดเยอดแล้วมันไม่ยินดีไม่พอใจมันก็กลายเป็นอิจอานิทรารมในเมื่อจิตมีอิจฉารมอนิทรารมจิตก็มีามาตามัตัญหาภ ว, วะตัญหาวิภวะตัญหาอยู่พร้อมแล้วสุขทุกข์มันก็บังเกิดอยู่ด้จิตตลอดไปเมื่อมีสติสัมปชัญญะรู้ทันอยู่ตลอดเวลาจิตตัวนี้ก็จะสามารถรู้ว่า ภพสุขที่เกิดขึ้นในจิตนี้คือทุกอริยาาสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เป็นอันว่ารู้ทั้งพระไตรลักษณ์อนิจจทุกขังอนัตตาโลทั้งอริยาาสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคปรากฏขึ้นในขณะจิตนั้นอันนี้รี้กว่าได้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดจิตดวงนี้กำหนดรู้อารมณ์ที่เกิดตับอยู่ตลอดเวลา ก็จะได้ความรู้ตามในแห่งธรรมจักรกับวัฒนสูตรที่ว่ายังกินกิสมุตยธรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาด้วยประการละจนีได้กล่าวบรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแต่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ ด้วยอำนาจแห่งคุณกระสีลัษนะไตรและคุณนธรรมที่ท่านทั้งหลายกำลังแสวงหาอยู่โดนบันดาลให้ดวงจิตของทุกท่าน <c oughs> ได้บรรลุคุณงามความดีคือเกิดสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะตามความเป็นจริงแล้วก็สามารถประจัดกิเลสอาสวะให้หายไปจากจิตสันดาน ถึงสึ่งความบริสุทธิ์สะอาดบรรลมกกุมกฏนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเทินโดยในยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่กาและเวลาด้วยประการละจนีเอาเชิญนัทผ่อนเลยยทาวาริวาาปูลาปาริปุเรนติซาคัลังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิทิฏังปทิฏางตุมหังคิปามีวัสมิทธตุสัพเพปุเรนตุสรั่งกบาลันโทปนระโสยะธาเมณิโจติราชวสยะธาสัพพีติโยวิวัตัญตุสัพพโลโกวินาจตุมาเตภวัดปันตระโยสุขีที่คายุโกภะวะอะพีวาธนาสีเรสนิจังวุฒาปจายโตจตารธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพระลัง